มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคตถาคตสะอเพชะปริสัะปัญหาที่8ดถามว่าท่านกล่าวว่าพระตถาคตมีบริษัทไม่แตกเหตุอะไร พระเทวทัตทำลายภิกษุห้าร้อยให้แตกได้เหล่าสมเด็จพระเจ้ามมลินภูมินทรา ธ, ธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคะเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าตถาคโตสมเด็จพระตถาคตทศพลยานเจ้าอะเพชะปริโสมีบริษัทไม่ได้แตกว่ากับโยมกรณีแล้วปุณจัก ครั้นต่อมาเล่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอีกว่าพระเทวทัตทําลายพระภิกษุห้าร้อยให้แตกแล้วพร้อมกันขณะเดียวนี่แหละคําทั้งสองไม่ต้องกันครั้นจะเชื่อคําเดิมว่าพระตถาคตทศพลยานเจ้ามีหมู่บริษัทมิได้แตกคําที่ว่าภิกษุทั้งหลายห้าร้อยพระเทวทัตทําลายให้แตกแล้วคราวเดียวนั้น ก็ผิดเป็นมิจฉาถ้าจะเชื่อเอาคำที่ว่าพระเทวทัตทำลายภิกษุห้าร้อยให้แตกแล้วพร้อมกันนั้นคำที่ว่าพระสัพพันยูมีมูบริษัทไม่รู้แตกก็จะผิดเป็นมิจฉาตกว่าคำทั้งสองไม่ต้องกันอายังปันโหอันว่าปริศนานี้อุพโตโกติโกเป็นอุพโตโกติคันดิโกฟั่นเฟือคันดิกะตะโร เหลือที่จะฟั่นเฟือโสปันโหปริศนานี้ตวานุปปัตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วอันหนึ่งเล่าปัญหานี้เป็นที่เดียร์ถีถือประรับประวาทจะคมขี่เป็นราคีเข้ามาอันหนึ่งปัญหานี้อาวุโตร้อยทั่วไปร้อยตลอดไปโอทุโนหุ่มห่อครอบงามทำให้สงสัยเคลือบแคลง ทัดเสหิพระผู้เป็นเจ้าจงสำแดงซึ่งกำลังปัญญาพระผู้เป็นเจ้ามิให้ประรับประวาดอาจเข้ามาครหาติเตียนได้ในการบัดนี้พระนาคเษณผู้ประเสริฐสงอรารหันอันทรงญาณปฏิสัมพิทาจึงมีอริยวาจาวิสัชนาว่ามหาราช ขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารยานสพพันยู่ผู้พิเศษเป็นอเภชาบริษัทมิได้มีบริษัทแตกแต่พระภิกษุทั้งห0 0พระเทวทัตทำลายให้แตกแล้วพร้อมกันคราวเดียวได้บพิศสงสัยว่าพระมหากรุณาเจ้ามีบริษัทไม่ได้แตกแต่ฉนหนพระเทวทัตจึงทำลายภิกษุห้อของพระมหากรุณาให้แตกแล้วพร้อมกันขณะเดียวได้ บอกพิษสงสัยกรณี้จะเป็นไรมีจะวิสัชนาให้หายคลายจากสงสัยซึ่งพระเทวทัตทําลายบริษัทนั้นจะว่าบริษัทนั้นไม่แตกอะไรได้จําต้องแตกเพราะเมื่อเหตุเครื่องทําลายให้แตกมีอยู่แม้มารดาต้องแตกจากบุตรบุตรก็ต้องแตกจากมารดาบิดากับบุตร และพี่ชายกับน้องหญิงพี่หญิงและน้องชายสหายกับสหายก็ต้องแตกจากกันเรือที่เขาขนานติดต่อกันไว้ด้วยไม้ทั้งหลายครั้นถูกคลื่นละลอกซัดเข้าก็ยังแตกจากกันได้รุกโขหรุกขชาติมีดอกออกผลดกนักหนามีโอชารสหวานอร่อยลน้นก็ยังแปรปรวนวิการวิก ล, กลับกลายแตกออกจากรถเดิมไป ด้วยบรเพชรเสดาขมเข้าพัวพันเกี่ยวข้องสุวรรณังชาตรูปังเงินทองย่อมมนหมองผิดสีเป็นราคีกลับกลายทำลายไปจากธรรมชาติเดิมเพราะระคนปนกับโลหะมหาราชะขอถวายพระพรเมื่อมีเหตุเข้าประกอบแล้วสิ่งทั้งหลายย่อมจะแตกทำลายจากกันได้ดังนี้อันคำว่า พระตถาคตเจ้ามีบริษัทไม่ได้แตกนี้เนโสอธิ ป, ปายูวินยูนังจะเป็นที่ประสงค์แห่งท่านผู้ทรงปัญญาเป็นนักป ร, รานนั้นหาไม่ได้เนโสพุทธานังอธิมุตติจะได้ถูกพระอัธยาสายแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้านั้นก็หาไม่ได้เนโสปันดิตานังฉันโทจะเป็นที่ชอบจิตเจริญใจ แห่งบันดิตตชาตินักปราดทั้งหลายนั้นก็หาไม่ได้ด้วยเหตุว่าเป็นถ้อยคำไม่ตรงกับพระธรรมเทศนาที่พระตถาคตเจ้าตรัสไว้ในพระไตรลักษณ์ว่าธรรมชาติทั้งปวงเป็นพิธนะธรรมมีสภาวะจะแตกจะทำลายหมดสิ้นทั้งนั้นตัถการนังอัตติแต่ที่ว่าบริษัทของพระตถาคตไม่รู้แตก ไม่รู้ทำลายนั้นเป็นเพราะมีเหตุที่พระองค์ทรงประพฤติสังคหวัตถุธรรมทั้งสี่ประการบริบูรณ์เต็มที่ไม่ทรงประพฤติรมอันเป็นที่ฆ่าสึกแกสังคหวัตถุทั้งสี่นั้นเลยมหาบาพิตรเคยทรงสดับบ้างหรือไม่ว่ายะโตกุโตปิแต่ไหนแต่ไรมาพระตถาคตเจ้าทรงหยิบฉวยถือเอาของที่เขาไม่ได้ให หรือตรัดปราสายพระวาจาอันไม่น่ารักเป็นเครื่องชักให้บาดหูและสมเด็จพระบรมครูประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นวางพระองค์ไว้ในฐานไม่สม่ำเสมอเป็นคนประพฤติลำเอียงไม่เที่ยงธรรมด้วยอำนาจอคติดังนี้อัตมาไม่ได้เคยสดับเลยเตนะอุจจติตถาคโตอเพชะปริโสเพราะเหตุนั้น นักปราชดทั้งหลายจึงกล่าวสรรเสริญพระองค์ว่าพระตะถาคตเป็นผู้มีบริษัทไม่รู้ทำลายดังนี้ตญาเจตังมหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมหาราชบพิษเคยได้ยินได้ฟังได้ทรงทราบบ้างหรือว่าในพระพุทธพจน์อันประกอบด้วยองค์เก้าประการคำพีใดนิกายใดสูตรใดมีบ้างหรือว่า บริษัทของพระตถาคตแตกทำลายออกไปด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ที่พระองค์ทรงกระทำไว้ในเวลาที่ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาความข้อนี้จะได้มีในโลกหาไม่ได้ โยมก็ยังไม่ได้ฟังพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้ภัยร้อเพราะนักหนาสำปติฉามิโยมจะรับเอาถ้อยคำจำไว้ในการบัดนี้ตถาคตสะอเภชะปริสะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้